ไ ม, ไม่ปล่อยเลยเออไม่ยอมปล่อยดูออกใช่ไหมว่าไม่ปล่อยมันบางทีมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราก็พยายามผ่านๆมามันไม่ได้ยึดอย่าไปพยายามทําอะไรสักอย่างเดียวไม่ต้องพยายามกระทั่งปล่อยพยายามผ่านไม่เอาทักอย่างเดียว <c oughs> ความพยายามมันโยนทิ้งไปเลยถ้าใจถึงๆนะแล้วจะเข้าใจง่ายที่สุดเลย ลองดูสิที่พระพุทธเจ้าสอนนะบอกทิศสูตทั้งหลายให้เธอรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือไม่เผลอไม่ใจลอยไปนานนานรู้สึกตัวแล้วก็รู้กายรู้ใจกายเคลื่อนไหวนจะปู้จะเหยียดเนี่ยรู้สึกไปมันเห็นคนอื่นรู้สึกไหมเหมือนคนอื่นบ้างไหมถ้ามันเป็นเรารู้เคลื่อนไหวแล้วมันเราแค่เลยเนี่ยนะแสดงว่าใจเราไม่ตั้งมั่นอยู่ไหมใจเราถลําลงไป ถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาอย่างแท้จริงเนี่ยกายจะไม่ใช่เรา ท, ทันทีเลยแต่จิตเนี่ยยังเป็นเราเพราะว่ามันคุ้นเคยและมันคุ้นเคยมานานเพรางั้นถ้าจะให้ง่ายนะอย่าดิ้นอย่าดิ้นรนอย่าค้นคว้าอย่าพยายามจิตใจปล่อยมันซะพอเราคิดว่าเราเริ่มปฏิบัติเนะี่ยเราจะรู้สึกโล่งขึ้นมาโล่งขึ้นมาแล้วจิตก็ดูไปเลยใจที่โล่งๆใหู้่้ไป เดี <growing> English, marche, ๋ยวพอมันไปทำงานต่อมันก็ไม่โล่งนะแต่ละว่างรู้สึกไหมเดี๋ยวมันแน่นเดี๋ยวมันเบาเดี๋ยวมันหนักเดี๋ยวมันเบาอะไรเงี้ยดูบ้างไหมอะไรอย่างเงี้อดีนะแต่ตอนนี้เอามาเป็นมาตรฐานตอนนี้ไม่ได้เพราอาจจะกลัวมีคนก็กลัวเยอะเหมือนกันก็ใจหนึบมำใจให้สบายอย่าไปกลัวซักไม่กัดตอกเนื เห็นหลพอเดินบาใจก็รูุ้ึกกอดทีนึต้องปล่อยเลยนะเป็นอะไรเป็นกันเนี่ยต้องขนาดนั้นเลยต้องใจถึงยังต้องสบายๆอย๋ยวเมื่อกี้มันเผลอไปใช่ไหมแต่นี้ก็รู้สึกแค่นี้เองแล้วแล้วอาการที่เราจะพูดคุยหรืออะไรฟังเราทุ่งหอยนี่มันเสี่ยงไหมให้เล่นเป็นอุบายเบื้อนต้น ที่ใให้จเพื่อจะให้ใจเราอยู่แล้วเราจะได้ดูใจควาจริงไม่ได้ให้ใจอยู่อ่ะพุทโธก็จะมาดูใจเพียงให้ออกใช่เราพุทโธพุทโธเนี่ยใจเราอยู่กับพุทโธรู้ว่าใจอยู่พุทโธพุทโธไปใจหนีไปที่อื่นรู้ว่าใจหนีไปพุทโธแล้วใจสบายรู้ว่าใจสบายพุทโธแล้วอึดอัดรู้ว่าอึดอัดเราพุทโธก็จะรู้ใจไม่ใช่พุทโธทำอะไรหรอก ให้ควบคุมแล้วก็รู้ให้ใคอยรู้ทันว่าใจมันไปไหนพอพอพอถ้าไม่แค่พุทโธคุกคดแรงว่าใจเราไปไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพุทโธวุทโธบางทีก็แอบหนีเที่ยวได้คไปโอเนี่ยรู้ว่าใจไปเชียงใหม่นะรู้ว่าใจหนีไปไปไหนไม่สําคัญรู้ว่าใจเผลอไปแล้วพุทโธพุทโธสบายใจรู้ว่าสบายใจพุทโธเพื่อจะรู้ใจ ไม่ใช่พุทโธให้นิ่งให้รู <c <c ้ว่าตอนนี้ถ้าจิตใจคิดอะไรก็รู้ไม่ใช่ไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะะพุทโธไปแล้วจิตใจสบายรู้ว่าสบายพุทโธแล้วใจไม่สบายรู้ว่าใจไม่สบายอย่างนี้ถ้าถ้าเราคิดเผลอคิดไปเท่าไหร่ก็รู้ว่าเผลอไม่ดึงเผลอแล้วเผลอเลยพุทโธใหม่ออย่าไปดึงคืนมาแันนะอยไปดึงคืนมาแล้วจะเครียดจะหนักให้ใช่ มุดไว้ก็เก่ไของพ่อก็คุณกะโทรไปแล้วก็ให้รู้ว่าคิดอะไรแล้วก็ปล่อยไปรู้ว่าคิดอะไรเนี่ยไม่สำคัญรู้ว่าแอบไปคิดรู้ว่าคิดอะไรเนี่ยไปรู้เรื่องที่คิดไม่สำคัญรู้ว่าใจเราแอบไปคิดเนี่ยสำคัญไม่เหมือนกันนะอย่างตอนนี้ใจไปคิดใช่ไหมตั้งใจรอฟังต่อใช่ไหมจยรู้หรือรู้ทันรู้ว่าตั้งใจ รู้ว่าหลอกฟังให้คอยรู้ที่ใจของเรารู้ว่าใจเราแอบไปทำอะไรรู้ว่าใจเรามีความรู้สึกอะไรรู้อย่างนี้ถ้าเวลาเราเดินแล้วก็พุโทโธไว้ในใจแล้วเราก็เดินคือพุโทโธนี่เป็นแค่อุบายเบื้องต้นเป็นเหยื่อตกปลาเพื่อจะให้เราจับเอาใจของเราให้ได้ถ้าเราได้ใจของเราแล้วเรารู้อยู่ที่ใจไม่เอาพุโทโธ พุทโธเป็นชื่อพุทโธพุทโธก็คือชื่อของใจนั่นเองพุทโธพุทธะก็คือตัวรู้วใจนี่แหละตัวรู้ทีแรกเราก็องคิดถึงพุทโธพุทโธเป็การเตือนตัวเองให้นึกถึงใจตัวเองอหลวงปู่บุญจันทร์จะสอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธเนี่ยใจเราไปรู้กพุทโธเสร็จแล้วเรามารู้ทันใจของเราเอง พาเรารู้ถึงใจของเราเราก็ทิ้งพุโทโธไปเรามาเอาใจเพียกว่าเราจับปลาได้แนละ้วเราก็ทิ้งเหยือ่อพุโทโธเป็นใต้เดือนเท่านั้นเนะใไ้เดือนตกปลาถ้าเราได้เหยือ่อได้ใจได้ปลาทิ้งเหยือ่อเนี่ยใจหนีไปทราบไหมจิตหนีคิดแล้วทราบไหมแค่คอยรู้ทันจิตอยเองการรู้ทันจิตเนี่รู้ได้สองอย่างนะจิต อันหนึ่งรู้ความรู้สึกของมันอันที่สองรู้ปริยาอาการของมันให้มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจนี่รู้อาการอันหนึ่งรู้ความรู้สึกถ้ารู้อาการไม่ได้ก็รู้ความรู้สึกไปอย่างมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์รู้ว่ามันทุกข์มันเฉยเฉยรู้ว่าเฉยเยมันดีรู้ว่าดีมันชั่วรู้ว่าชั่วนี่รู้อย่างนี้ ตา่ ม, มาพรู้มากเข้ามากเข้าเราจะรู้อาการของจิตเ ช, acrylic. เช่นเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปทางใจอย่างพอมันไปเห็นสมมติว่าจะเห็นดอกไม้สวยตามองเห็นจิตจะวิ่งไปดูดอกไม้เลยแ้าใจใจมันชอบเราจะรู้ว่าใจเราชอบก็ได้ทันทีที่รู้ว่าใจชอบก็ไม่วิ่งแล้วหรือทันทีที่รู้ว่าวิ่งมันก็ไม่วิ่งแล้วใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแหละ งนั้นเรารู้ความรู้สึกใจก็ตั้งมัน่นรู้อาการกิริยาการของจิตใจก็ตั้งมัน่นนะฝึกให้ใจมันตั้งมันม่นขึ้นใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่ไม่ใช่ตั้งแข็งแข็นะตั้งสบายๆรู้ตัวสบายๆู้องสบายๆเนี ย, ยนะอย่าหันเยอะนะหันเยอะเสียทำเล่นๆทาอย่างเนี้ยสีใจสงสัยตั้ง้วสงสัยนะ เยคอรู้ไปคอยอ่านไปจะเห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหมดไม่คงที่รู้สึกไหมเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาความโผล่ใส่พุ่งขึ้นไปความโผล่ใก็หายไปนี่แหละดูอย่างนี้เลยใช้จิตใจอย่างนี้เลยไปดูอย่าไม่ใช้จิตที่ทํำตึงๆตึงๆไม่เอาอย่างตอนนี้ลืมดูทราบไหมนี่ถึงแม้ระคอยรู้สึกไม่ลืมไม่ลืมนานแล้วง่ายที่สุดเลย ใจเราพุ่งเข้าไปข้างในนะทราบไหมให้รู้ทันเนี่ยรู้ทันอาการคืออาการของจิตไหลเข้าข้างในรู้ทันมจิตผีเข้าไปดูข้างในเหมือนกั น, นะจะรู้ว่าเข้าไปไม่จะดูอะไรก็ได้ดูความรู้สึกก็ได้ดูอาการของจิตใจก็ได้วิ่งเข้าไปข้างในวิ่งเข้าไปข้างนอกรู้ว่าใดนหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นแล้วแล้วคุณจะละพงแล้วหลเข้าข้างในแล้วก็ขาดไปแป๊บนึ่ง ก็ตามากขึ้นแล้วตอนนี้เวลาดูความรู้สึกทนี่จะดูเป็นตึกๆเป็นรเป็นบาร้งเร่องนวามแู้กุนผิดนมข้านที่จะรวมรวมต้นเทง็แแต่แล้วก็จะมีผลกความรู้สึกตามปกที่สิ้เข้าไปยึดที่ความรู้สึกได้องเป็นตต่อ่ใช่ความรู้สึกเกิดขึ้นรู้ทัน จิตไหลเข้าไปจิตมีอาการแล้วไหลเข้าไปรู้ทันอะไรก็ได้เพีจงเฉลิมภงรู้ไปนะคงนี้มันก็รู้สึกว่าจิตที่มันผมก็เป็นมิี่อยู่มันจะขึ้นเฉพาะเมื่อมีอาการใช่เป็นงไปเมื่อมีมีการกระทบ อ, อารมณ์เนี่ยเกิดจิตขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้งจิตเองเกิดดับเพื่ะเฉลิมภงจะงเห็นแล้วจิตเริ่มเกิดดับนะถ้าเห็นจิตเกิดดับไปเรื่ออๆนี้สุดรู้เลยจิตไม่ใช่ของอมาตะ เป็นของเกิดเกิดดับดับปัจจัยติ่ถิ่นี่ขาดจึงจะไม่เห็นแล้ ว, ว่าจิตคือตัวตนถาวรที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าจิตมีตัวเดียวถาวรเราจะเห็นเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดเป็นคล่าเยเฟ้ารู้เฟ้าดูเป็นใจมันแจ้งขึ้นมาแต่เราเราไม่ต้องคิดแต่ละใจให้เข้าแจ้งขึ้นเองถ้าเราคิดแล้วก็เป็นความรู้ของเรามันก็ความรู้ของจิตนำพาเขาดูไปเรื่อย เป็นเช่นนต้องดูดีมากนะทอยู่ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็รู้ความรู้สึกบ้างรู้สริยาอาการของจิตบ้างแล้วแต่มันจะรู้อะไรก็ได้ขอให้รู้ไปเถอะเดี๋ยวก็จะแจ้งเองไม่จิตไม่มีตัวนนตนหรอกจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเกิดดับรูปกายก็เกิดดับแต่ดูรูปกายเกิดดับดูได้หลแบบนะที่เขาฝึกกันเบื้องต้นยาบที่สุดเลยเช่นรูปยศกับรูปย่างคนละรูป แต่ความจริงกายมันเกิดดับในความรู้สึกของจิตเนาะรู้สึกไหมถ้าจิตไม่ไปดูมันกายก็ดับฉะนั้นมันก็เกิดดับไปตามจิตเนาะฉั้นถ้าเข้ามาถึงจิตก็จะรู้เลยว่าลําพังกายเนี่ยจะเกิดดับหรือไม่เกิดดับไม่สําคัญหรอกสําคัญที่จิตมันจะไปรู้หรือไม่รู้แต่ละอย่างกายนี้ยังไม่ทันตายนะนอนอยู่ถูกวางยาตลบกายมันมีอยู่จิตมันไม่รู้ก็เหมือนไม่มี เนืตัวสําคัญในเรียนให้ถึงสิตถึงใจไม่เอานะถล่มลงไปไม่ได้ขึ้นมาอย่าจ้องเข้าข้างในนะ้หายขึ้นมาอีกหายขึ้นมารู้สึกตัวเลยปลได้ไหมไปล่อยข้างในอยู่ตรงนี้ถล่มไปอีกรนะักราบไหมเพราะงั้นอย่าถล่มเข้าช่องนะันะ้นโลกงปู่เพชเรียกว่าส่งในโลกปู่ดูลเรียกว่าส่งจิดออกนอกนะนลอแล้วคุณจะระเบิดก็องดูให้สบาย ดูให้สบายเราก็จะไม่เข้าไปตัดแสงถ้าเราดูแรงๆก็จะเริ่มไปแทดแทรงเขาจะเริ่มผิดปกติตัวตัวบางๆอยู่ชอบชอบไป เ, ออเออชื่อหรือิดใช่คือสมมติบัญญัติจะปิดบังสภาวะหมดบัญญัติปิดบังธรรมะเราจะไม่เห็นของจริงเราเข้าไปคิดออในขณะนั้นไปรู้เรื่องที่คิดไปรู้ความคิด แต่ตรงนี้ยากจริงๆต้องใจถึงจริงๆอย่างเรากลัวไม่มีความรู้เราต้องช่วยมันคิดถ้าใจถึงจริงๆแล้วโจรชิงเลยโง่ก็โง่โง่เร้ไม่ทุกข์อะเราอะไรฉลาดแล้วทุกขโง่แล้วไม่ทุกข์อะรู้แล้วชิงเลยบางทีรู้ทเไมมันโง่โจริงๆมันไม่หลงอะไรถ้าใจทื่อๆไม่ดีเหมือนกันล้ก็ื้องล้วก็ไม่ถูก แต่ว่าจิตถ้ามันซึมไปอย่างนั้นเป็นเจลิมภูเขาทำสมถะนิดนะเพิ่มพลังมีสมรถะช่วยให้จิตใจกระปรี้กระเปรับขึบ้นนะคือรู้เลยมีสองรู้เนะี่ยรู้อันหนึ่งประกอบด้วยปัญญารู้อันหนึ่งไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นรู้เหมือนกันเป็นกุศลเหมือนกันนะอภิธรรมเนี่นยกุศลญาณสัมปะยุคือประกอบด้วยปัญญาแต่กุศลญาณวิปยุ รู้ตัวอยู่ไม่เผลอแต่ชื่อๆไม่ประกอบด้วยปัญญาก็รู้อยู่เนี้รู้สบายๆแต่ว่าเหมือนกับไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยอีกอันนึงรู้รู้แล้วแจ่มแจ้งเลยเหน็นนั้นนู้นเห็นนี้นี่เกิดดับเปลี่ยนแรงเป็นจิตเป็นแค่ผู้ดูเห็นจิตไหลเข้าไหลออกเลยไมีประกบอบด้วยปัญญาทนี้จิตก็มีทั้งสองแบบแต่ว่าถ้าไปติดอันใดอันหนึ่งมากไปก็ไม่ดี เนี่ยเค้ยรู้ไม่ยอมเลิกเลยก็ต้องพักทําสมถะาธิคือไปเลยไม่ยอมรู้เลยขี้เกียจกันล้วน้ําใจออกรู้ก็ไม่ยอมก็หางานทำเพิ่มทํำสมาธิก็ได้พอสมาธแล้วจิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนรู้ความรู้สึกถอยออกจากสมาธิมาจิตก็จะเปลี่ยนอีกอยู่ข้างในจิตอย่นึ่ออกข้างนอกจิตอย่างหนึ่งเรารู้จิตที่เปลี่ยนไปเรื่อย ไม่ไม่ถล่มก็ได้อย่างนั้นยังเข้าคให้เราสักว่ารู้สักว่าดูแค่เราแตะนิดนิดไม่เข้าไปแตะเยอะๆไม่ใช่ถล่มลงไปแตะแค่แตะนิดนิดแตะเบาเบานย่ขยันน้อยลงเงี่อ่ะอย่าท้อแท้นะเมื่อคนเรีนี่สิบปีเนี่ย ดูออกไหมว่าเราดูไปโน้นเอ๊ะดูคพื่อทำไมตรงโน้นนไม่ดูที่ใจเรารู้ทันว่าใจเราไหลไปอยู่ที่โน้นรู้ตรงนี้นะแต่ไม่ใช่ห้ามนะบอกว่าตรงน้นไม่เอาไม่ใช่ให้ย้อนมาเพ่งใส่ตัวนี้นะตัวนี้ก็ไม่เพ่งใส่ตัวนี้ก็ไม่หลงลงไปแช่อย่างเมื่อกี้ใจเราลงไปแช่ยอยู่เราไม่ลงไปแช่ในขณนะเดียวกันก็ไม่กลับมาเพ่งตัวนี้ด้วยไม่เอาทั้งสองตัวแหละ แต่ว่าพอใจเราลงไปแช่รู้ทันว่าใจาลงไปแช่มันจะขอยขึ้นมาอีกจะรู้สึกตัวตั้งมั่นขึ้นมาถูกต้องเลยไม่ต้องพยายามดูงตัวนี้แม้จเข้าไปอีกแล้วอนนั้นหลงนะงนี่เรียกว่าหลงปฏิบัติยชยที่ทาอะไรรู้สึกไหมว่าทาเออ ให้รู้ทันว่าจิตกําลังแอบไปทํางานนะรู้อยู่แค่นี้ก็พอและบางทีพอรู้ที่แล้วมันเหมือนสมมติว่าถ้าจะคิดไปแล้วเราเป็รู้มันยะคอยู่เพอมันเป็รู้พุ๊บนี่มันจะลงมาแค่จะรู้แล้วแค่นั้นมันก็จะมีการตีค่าแล้วก็ปึ๊บเหมือนพลิกกลับมาแล้วมันก็จะรู้ว่ามันตีค่ารู้ว่ามันคลิกนะมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงไม่ห้ามมันหรอกอย่าไปเกลียดมัน อย่างคิกเข้ามาเคยรู้แล้วว่าไม่ดีที่จะไปโมโหเป็นดิบว่าฟิกเข้ามาทําอะไรรู้สึกตัวให้แดงขึ้นนิดหนึ่งจิตจะเริ่มตึงแล้วยากไหมเราฝึกแบบให้ใจเราไหลลงไปแช่แต่พอไปแช่นิ่งๆรู้สึกสบายบางีขี้เกียจอย่างไปพบเคยถามท่านอาจารย์พระมหาบัว ทาทำสมาธิอย่างเงี้ยมากๆเนี่ยจะเกิดปัญญาไหมผมไม่เกิดหรอกมันขี้เกียจลงไปนอนแช่ให้ออกมารู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ลงไปแช่อย่างนี้แต่ถ้าจะต้องการเจริญปัญญาก็ไต่ขึ้นมาบางครั้งเราก็ต้องพักผ่อนก็เข้าไปถ้าตลอดไม่ได้นะไม่เกิดปัญญา ยังหายง่วงยังดูลสภาพกาศเ็นไหมเพืค่ะฮึมดูออกไหมตอนนี้จิตรู้ตัวเต็มที่ยังยังไม่เต็มที่ค่ะแต่ใช้ได้แล้วใช้ได้มันเกอือมันมีมีโมหะแทรกอยู่นมันมัวนิดนึงเออใช้ได้ดูได้ดูได้ใช้ได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องใส่จริงนะใส่จิงเลย ก็รู้ว่ามันใสมัวรูว่มัวเนี่ทําอย่างที่ผู้เจ้าบอกแล้วรู้สึกตัวอยู่จิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะใช้ได้แล้วจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ผ่องใสเดี๋ยวก็เศร้าหมองดูอย่างเนี้ดยดูแค่นี้ก็ได้อัร่วมกับพวกวัดป่าเามาค่ะเพราะว่าเห็นว่าเขาได้ ต้อกนอะไรนี่นะคะเข้าปาทำความก็เหมือนกับได้รตัวนเพราะว่าขไได้้เอสตะริบงคก็เิเข้าาก็แบรู้วาอืมแเราทของเราเอาเองอย่างนั้นดีแล้วรัดป่าเนใหญ่เดี๋ยวนี้ติดยาสมถะที่สมถะกันเยอะพัะมาคุยทีไรโอ้เรื่องเห็นโน่นเห็นนี่ฟังแล้วเหนื่อย มาส่ ง, ส ง, สงข่าวหลวงพ่อแล้วท่านชอบสอนตั <c oughs> ้งแต่ต้นเลยแกะยากนะติดสมาธิแกะยากเนะ่มันก็ติดสมาธนะิใช่ไหมติดสมาธิเป็อีกแบบนเราเคยไปกาหนดอนะ่ะกาหนดลงไปเรื่อยๆนี่ยจิตใจก็นิ่งอย่รื่งความรู้สึกลงไปนิ่งๆเ <c oughs> นะี่ยจิตหนีไปทราบไหมจิตว็อกแรกว็อกแรกรู้ว่า็อกแรก ไม่ห้ามเขาเราก็จะดูได้เออเดี๋ยวจิตก็สงบเดี๋ยวจิตก็วอกแวกเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้จิตเสียวก็พองไสเดี๋ยวก็เศ้าหมองดูอย่างนี้ก็ได้เนี้ยมันง่ายไปหมดเลยจับอะไรนะถ้าจับหลักได้ถ้าจับอะไรก็เป็นกรรมฐานหมดเเห็นใจรักหมดถ้าดูกายรูใจนะแสดงใจรักหมดเนีจ่จะคิดใช่ไหมจ ะ, จะคิดห้ามไม่ได้จิตจะคิด เออเนี่ยจิตเป็นของห้ามไม่ได้นะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดนี่ยังได้เลยอย่างเนี้ง่ายจะตายไปเอาอะไรเพิอันเดียวก็ได้นี่ต้องเรียนธรรมะเยอะแยะเอาจุดเดียวก็พอแล้วแต่ละคนแต่ละคนอย่างเดี๋ยวเราเห็นว่าจิตเศร้าหมองแล้วก็ของไสเศ้าหมองแล้วของใสดูแค่นี้ก็พอะเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็เผลอเดี๋ยวจิตก็รู้เดี๋ยวจิตก็เผลอเอาแค่นี้ก็พอ แค่นี้ก็เห็นแล้วจิตไม่เที่ยงจิตเป็นผู้จิตบังคับไม่ได้ในเวลาในระหว่างปฏิบัติโยมโยมจะได้บังคัไม่แน่ใจว่าอะไรที่แกล้งทำหรืออะไรที่เป็นจ่ิงจริงโยมก็ยาที่หลว่าห้ามไม่้ยายามปฏิบัติแชีิตใจมันากมันก็จะเหมือนกับเวลาทาอะไร พยายามหลบสายตาแล้วมันรู้สึกว่ามันขอ่อนายขึ้นนะคะทั้งงการและใจ <ừ. S 1> ถ้า น, นโกหกหรือก็เป็นอุบายอุบายไม่ใช่หลักเป็นแทคนิกเฉพาะตัวถ้าเกิดปฏิบัติไปแล้วประสบความสําเร็จเดี๋ยวก็จะไปฝ่ารู้สึกนะครัไปดูแล้วก็หลบ <c oughs> ทางซึลินที่เขาสอนก็มีแต่ตรงนี้สําคัญฝ่ารู้สึกไหมตรงที่ร เ, รเราไม่ได้ไปบังคับใจเราใช่ไหมรู้สึกไหม เหมือนมันเปิดเหมือนรูมเราไม่ได้บงังคับมันตรงนี้นะครับที่ถูกถ้าเราไปทําอะไรนิดนึงก็จะผิดตัวเองแข็งแขงเนีมันผิดตรงนั้นแหละเห็นไหมเริ่มแนละ้วเริ่มแนละ้วเริ่มทนะําแล้วทราบไหมโ ย, ยนทิ้งอย่เลยหนะูปล อ, อมเราไปทําเพราะว่าใจเราอ่อนแอคิดว่าต้องทำโน้นนี่แล้วสบายใจยังทำนะระอับใช่ไห ม, มเออผิด เห็นไม่ว่าตดชื่นผิดกันเยอะเลยนะคนนึงมีภาระมากคนนึงไม่มีภาระอะไรเรื่องอะไรไปสร้างภาระมหลวงพอการทเพราะว่ า, า, า, า, า, า, าให้ีหหเกิไปรูปเนี้ยมันเกิดขึบนะเราเห็นรูปเนี้ยสังเกตไหลองมองดิเห็นชัดแว๊บเดียวรู้สึกไหม แล้วก็เรือนว่า อ, อะไราาก็จับขูอวิญญาณจิตจิตที่ออกไปรู้รูปเกิดได้ขนาดจิตเดียวเกิดได้ครั้งละแว๊บเดียวแล้วก็เลือนแวบเดียวแล้วก็เรือนนั่นทำรรมชาติเลยแต่จิตที่รู้อารมณ์ดังใจเนี่ยเกิดยาวอย่างเกตไม่ว่าอย่างเราฟังเสียงฟังเสียงดูรูปก็แวบเดียวแล้วก็เลอไปฟังเสียงได้นิดเดียวแล้วก็เลอไปไอ้ที่เข้ามาชัดเข้ามาชัดอยู่ในใจในชัดที่ความจิต ตรงนี้เกิดได้เจ็ดขณะเกิดทางตาทางหูทางลักษณะอย่นั้เข้าไปทางใจแล้วดูอย่างนี้ก็ได้จิตเกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วดับจิตมาเกิดทางใจแล้วก็ดับจิตเกิดทางใจแต่ลืมดูเห็นกรรมฐานนะถ้าจับหลักได้แล้วหยิบอะไรขึ้นมาก็เป็นกรรมฐานหมดเลยเหมือนวิชานินจานะ วิจารณิจาเนี่ยคือใช้ทุกสิ่งเป็นอาวุธได้หยีนี่กว้างหัวเขาก็ได้เพราะฉะนั้นเราจับหลักให้แม่ น, มนก็หยิยบอะไรขึ้นมาก็เป็นกำลังฐานหมดเลยเดี๋ยวเห็นใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ได้เดี๋ยวเห็นเป็นกุศลก็หนากุศลก็ได้เดี๋ยวเห็นสว่างแ ล, งแล้วผ่องใสเดีวก็มืดไปก็ได้หนักห น, นักแล้วก็เบาถึงก็ได้ อะไรก็ได้เกิดทางตาเลกา้ก็ดับเกิดทางหูแล้วดับเกิดทางใจแล้วดับนี่ดูอย่างนี้ก็ได้แค่อันใดอันหนึ่งก็พอแล้วจะเชือดคอคนสักคนเนี่ยไม่ต้องเตรียมมีดที่สิบเล่มนะนีพระพุทธเจ้าให้มีดมาเยอะเลยเพราะว่าคนมันหลายชนิดของเราถ้าดูแบบไหนได้เราก็ดูของเราอันเดียวก็พอแล้วเนี <c oughs> ย่ยไปทำมัน <c oughs> มีความรู้สึกว่าเหมือนกับลอยอย่างนน้นแล้วไปเกาะนีเกาะนั่นเกาะนี่เห็นชัดใช่ดีนั้นแหะปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเลยว่าใจเราวิ่งเกาะทั้งวันเลยถ้าเกาะแล้วสบายใจใช่ไหมไม่มีอะไรเกาะกลัวฝนกลัวจมน้ำกลัวไม่ได้ปฏิบัตินั้นมันหลอกหลวงโปถึงบอกว่าคนเราใจไม่ถึงถ้าไม่เกาะรูปธรรมก็ต้องไปเกาะนามธรรมให้สักอันแล้วสบายใจ รู้ออกขึ้นไหมเที่ยงต้องเกาะเนี่ยต้องเกาะเกาะแล้วรู้เกาะแล้รู้ไหมว่าทุกข์เกิดหนักเกิดเนี่ยเห็นไหมว่าทุกข์เกิดก็อะไรเกาะเกาะคือคาว่าอุปาทานนั่นเองทาไมถึงเกาะเปงเกมเมื่ก่อนถึงเกาะเนี่ยยื่นงวงเข้าไปเกาะเนี่ยน่ะปัญหาขยานเข้าไปเกาะเกาะแล้วก็หนักขึ้นมาเห็นไหมเกิดปัญหาอุปาทานก็เกิดเกิดทุกข์ขึ้นมา เที่วหาแล้วเห็นไหเราดูให้เห็นว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้นะไม่ใช่ฝึกเพื่อจะบังคับให้ได้จับหลักตัวนี้ให้แม่นแล้วไม่กลุ้ใจโอ้ยากเลยยากเลยยากเพราะว่าคิดว่าจะต้องทําอะไรจะต้องทําอย่างนี้จะต้องทําอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้แล้วมันไม่ได้ก็เลยรู้สึกยากแต่ปฏิบัติจะไม่ยากเลยถ้ารู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันกาลังเป็นไงรู้ว่าเป็นงนั้นแล้วจะยากอะไร แต่ถ้าคิดว่าจะต้องไม่ให้เธอยื่นมือไปเกาะเลยพอเธอยื่นไปเกาะแล้วเธอคุกเธออย่ายื่นนะอย่าห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะจิตมันเจตนาโอ้ฝึกทํามันยากแท้ทําไม่ได้สัก ท, ยก ท, ท, กทียากแน่นอนนะเพราะว่าไปฝึกของที่ทําไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าเกาะแล้วคุกเกาะแล้วคลุกเราไปจิตมันไม่เกาะของมันเองะเราไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกเนี่ยดูไปกับเกาะแล้วก็แน่น กแล้วก็ทุบก็เราก็ทุบดูอย่างนี้ก็ได้ไม่กรรมฐานอะไรก็ได้น่ายจะตายเนาะเนี่ยตั้งใจใสเข้าร <c ười> ู้ตรงเลยอย่าเข้าใจนะบางคนแะ่แรงมันเยอะพวกจีนเนี่ยดเลิกยากอย่าในชีวิตประจำวันเนีค่ะท่ามัน รุ่นทงานทีอมันก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันทำอะไรยู่เพราะที่จะสังเกตตัวเองจะรู้อารมณ์มากกว่าการทํางานของมันว่าไรตรงรู้อารก็ได้แต่ว่าเวลาอารมณ์จะเกิดใ้ตัวใหญ่ก็คือว่ามันจะมีอะไรเข้ามาที่ขัดค่อนข้างช้าอย่างเช่นสมมติว่าดูทีวีอยู่แล้วมันมีอะไรที่มันดราม่ามากๆหรือเริ่มมดีมาติดติยากับเราแล้วก็ ว่าบาทีโมโหลเริ่มขุ่นเริ่มพันเิ่มีมิม่ิปอะไรนะออ อ, อย่างนี้ก็ใช้ได้นะตัวอย่างนั้นเหีด๋มันก็ไม่ได้มีอารมณ์อยากเข้ามาเยอะขนาดนั้นห็่งทงานกา็จะบางทีก็รู้แต่หน้าคอมมันก็จะไม่ค่อยร้ืน่นอกกว่าเวลานั้นมาแล้วก็รู้ไปขับรถแนละ้วอบขับเร็วก็รู้อะไรเงี้ยไม่ชอบตามหลังเห็นรถอื่ติดกรบอยู่ข้างหน้าลำคานหรือว่าลำคานฝึกในชีวิตจริงๆ ใช้ช้อปปิ้งเห็นอะไรน่นอยากได้รู้ว่าอยากได้หมือนว่าความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากสิ่งเราภายนอกเข้ามาหรือเกิดจากความคิดของเราก็ได้จากภายในอกไม่หจำเป็นนไม่จําเป็นที่เป็นะคนหนึงเอาอันเดียวก็พอแล้วดูความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็พอแล้วแต่ว่าภาดมด ให้เหนยแค่อยู่มันก็จะแปลว่ามันก็จะมีไอ้พวกตรงนี้เข้ามา น, อน้อยในางทมันจะเราก็ต้องรู้จักว่าเพ่งแช่เป็นยังไงฟอรู้ว่าเพ่งเอรู้ว่าเพ่งบางทีฟารู้ว่าเพ่งอยากข่อยออกมาอยากข่อยรู้แล้มีความรู้สึกอยากข่อย ร, รู้ความรู้สึกตัวนี้ใส่ใจเป็นกลางแล้วก็เลิกแค่มันเลิกของมันเองแต่ถ้าเราอยากเลิกแค่ไม่เลิกหรอก ยิ่งที่มันขรุขักขรุขระตรงนั้นรู้ได้ใจเป็นกลางนะอย่าเอาความอยากเข้าไปแทรกแล้วมันหลุดเองใช้ใจนี้ได้คิดแค่นั้นคิดไปแล้วเกิดความสุขรือว่าสุขคิดแล้วทุกข์รือว่าทุกข์สภาพที่เลิกยึดถือในจิตเน่ยสอกันได้ไม่ได้นี่ค่ะต้องเกิดเอง อ, อย่างมันจะเกิดจากการเห็นทุกข์อย่างจริงจัง น, นนะ หรือเห็นใจรักจริงๆเห็นจิตเป็นใจรักจริงๆมันหยุดหรืออย่างบางคนดูไปเรื่อยๆอย่างทุกข์นี่มีทั้งหลายชั้นเนะทุกข์ที่คนในโลกรู้จักเช่นว่าอกงานเป็นทุกข์อกหักเป็นทุกข์ผิดหวังเป็นทุกข์ทุกอย่างนี้ใครๆก็รู้จักีทุกข์ที่ละเอียดกว่านั้นก็มี อ, อย่างนักปฏิบัติเราเห็นว่าถ้าจิตเราไหลก็ไปยึดอารมณนะ์แล้วมันจะทุกข์ขึ้นมามันแน่นขึ้นหนักขึ้นมา งั้นจิตไหลไปเกาะอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายก็เห็นว่าเป็นทุกข์ละนี่ก็ฉลาดขึ้นในชั้นแล้วก็เราพบว่าถ้าจิตไ้เกาะอารมณ์ดีแต่รู้สึกสุขเหมือนกันจิตไปเกาะอารมณ์ไม่ดีรู้สึกทุกข์จริงไอ้สุขทุกข์กลายเป็นตัวอารมณ์อารมณ์ดีก็สุขอารมณ์ไม่ดีก็ทุกข์แต่มารู้อีกจิตแค่จิตเคลื่อนก็ไปเกาะจิตเคลื่อนก็ไปทํางานก็ทุกข์ละเพราะนั้นเคลื่อนไปดูอารมณ์ดีไปแช่กับอารมณ์ดีก็ทุกข์ละ เพราะอุตสาหขึ้นมานิดหนึ่งนะเห็นทุกละเอียดขึ้นไาอหเห็นจนกระทั่งฉลาดมากเลยรู้ว่าถ้าส่งจิตออกไปแล้วจิตทุกจิตก็ไม่ส่งจิตทรงตัวอยู่ที่จิต้จิตทรงตัวอยู่ที่จิตเนี่ยกรู่าอาจารย์รักษาใช่ไหมว่าได้จิตผู้รู้แล้วคือเป็นจิตผู้รู้ทรงอยู่ยานีน้ไม่ไหลพาไหลแลวบลงไปก็เห็นว่าทุกข์มันเกิดถอยออกมาไม่ทุกข์คนก็จะไปเข้าใจผิดว่าต้องรักษาจิตตัวนี้ไว้ ถ้าบางท่านดูไปเรื่อยๆก็เกิดจะเห็นต่อไปอีกเห็นทุกอีกชั้นหนึ่งเห็นว่าตัวจิตเองตัวผู้รู้เองนั่นแหละตัวทุกข์ตัวนี้ยมันจะเห็นต้องเห็นด้วยใจของตัวเองคิดไม่ได้เพราะคิดแล้วไม่ไม่มีทางคิดออกเลยเนื่องจากอย่างเราเห็นว่าถ้าจิตไปเกาะอารมณ์ไม่ดีแล้วทุกข์ต่อมาเห็นว่าจิตเกาะอารมณ์ดีและไม่ดีก็ทุกข์นี่ยปัญญามันกล้าขึ้นมาท่านสุดท้ายเนี่ยตัวจิตเองนะั่นตัวทุกข์ ถ้าเห็นว่าตัวจิตเองตัวทุกข์เนี่ยจิตจะไม่เขี่ยวหาอารมณ์ที่ดีแล้วอย่างถ้าเราเราเห็นแค่ว่าจิตไปเกาะอารมณ์แนี้แล้วทุกข์เนี่ยเราก็จะไม่อยากได้อารมณ์นี้เขี่ยวหาอารมณ์ใหม่จิตจะไปเวียนอยู่ในกามาภพแต่ถ้าเราเห็นว่าโอ้ตัวจิตเองเป็นสุกขนะถ้าไหลก็้าไปเมื่อไหร่แล้วทุกข์นเราจะไปเกาะเอาตัวจิตไว้เราจะไปเป็นอยู่อารมณ์มรรแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์ครั้เนี้ย ไม่มีทางไปแล้วแล้วมันจะนิพพานมันคล้ายๆวันหนึ่งเราเกิดเฉลียวใจแต่เดิมเนี่เราคิดว่าเราเดินไปตรงนี้นะแค้เกสอนกับไม้นี้แล้วเราไม่สบายเราก็ไม่ไปตรงนี้เราจะไปเที่ยวที่อื่นอารมณ์นี้ไม่เอาจะเอาอารมณ์วันหนึ่งกอ็ออกไปเที่ยวก็ไม่ดีอยู่บ้านรับสบายดีออกไปเดี๋ยวแพ้แดดแพ้ฝุ่ น, นแพ้นู่นแพ้นี่แพ้หมดทุกอย่างแนละ้วตรงนั้นก็ทุกตรงนี้ก็ทุก แต่เดิมคิดว่าเฉพาะอันนี้ทุกปัญญากล้าพือโอ้กระทบอะไรก็ทุกหมดอยู่ในบ้างเราดีกว่านี่บางคนพอปัญญากล้าจริงๆพบว่าอ้อยู่ในบ้านก็ยังทุกข์อีกอ้อตัวเองแหละไม่สบายความเจ็บป่วยอยู่ในตัวเองเพาะอย่างเนี้ยมันจะไม่เที่ยวดิ้นไป ห, หาอารมณ์ที่เป็นสุขข้างนอกอเพราะมันรู้ว่าตัวจิตนั่นแหละโทุกข์มันต้องเห็นทุกข์จริงๆนะทุกข์แทบตายทุกข์แทบสลบเลย ครูบาอาจารย์บโอถึงก็สลบเลยการที่เราเห็นหอยูออ่ในชีวิตกลางนเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่คอที่จะเห็นตรงความคือส่วนมากมันจะไปได้แค่มาจับเอาจิตเอาไว้นะไม่ไหลไปแล้วเพอารู้ว่าไหลไปแล้วทุกจะได้อย่างแค่นี้จนะทำจนถึงขั้นที่เห็นว่าตัวจิตเองเป็นตัวทุกข์ยากนะ ถึงนั้นก็เคยคิดบวชตอนนั้นยมจะเหวลาที่จิตหนึี่ีแล้วพอมัเคลื่อนขึ้นแล้อารมณ์อย่างลอารมณ์อพรอาร์ุกครั้งะี้นแล้วมันก็วางตรงนั้นกับเริ่มมีว่าตัวพรเองก็มีหมองหมอของมันแต่ว่าโยมรู้แต่ว่าโยมไม่เห็นที่หลวงพ่อบอกว่าลบทุกเจตน เห็นสภาพตัวมันทุกกันแล้วับาันล่มันเห็นอะไรก็ได้ดวงตามหาบัวไม่ได้เห็นมันถึงทุกดวงตามหาบัวเห็นว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เศร้าหมองเดี๋ยวมันก็ผ่องใสนะบางท่านก็เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันรุดก็ะเด็นออกไปเลย